พระสูตรขีพสูตรนะเป็นการแสดงาภาพข้อกล่าวให้เห็นนะว่ามีในแต่ละปิดกเนี่ยมีจำนวนพระสูตรเนี่ยมากหรือน้อยหรือไม่มีขนาดไหนแต่ถ้าต้องการจำนวนที่เป๊ะๆอีกที่เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปใน ปีดกที่มีหรือไม่มีแล้วก็ตำแหน่งที่ที่พระสูตรนั้นอยู่นะเพราะว่าถ้าต้องการจำนวนของพระสูตรที่แน่นอนเนี่ยจะต้องใส่ฐานข้อมูลเข้าไปอีกอีกอันหนึ่งเพื่อให้มันประมวลผลได้ถูกต้องเป๊กว่านี้แต่มันจะทำให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็การประมวลผลช้าลง แล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่ออุปกรณ์ที่มีความจุไม่มากนะก็เลยทำให้เห็นภาพตรงนี้คราวๆก่อนอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันนึงในการใช้โปรแกรมตัวนี้นะอันนี้เป็นลง ม, มีให้ดูไหม ถ้าต้องการลงโปรแกรมตัวนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดูนะมีในจอไหม มีปลิ้นปลิ้นไว้ที่ที่วัดเดี๋ยวไวจะเอาติดมาให้สองบรรทัดแรกข้างบนเนี่ยโหลดได้ที่นี่หาเสร็จแล้วก็จะออก โชออกมาเลยว่าอยู่ในวินัยปิฎกเนี่ยกี่พระสูตรนะก็สุ ต, ตันตากี่พระสูตรแล้วก็อภิธรรมปิฎกกี่ประสูตรตรงนี้อย่างน้อยเราได้เห็นภาพรวมว่าเราจะรู้เลยว่าอาภิธรรมปิฎกเนี่ยเป็นคำที่แต่งขึ้นเก็บทั้งหมดนะกลุ่มคำที่แต่งขึ้นเนี่ยมันจะไปกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้แล้วกลุ่มคำของผู้เช้าก็จะมาอยู่ตรงนี้นะและถ้าต่อไปเนี่ย สารข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเราจะแยกให้เห็นนะอย่างคําว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเนี่ยพระเจ้าไม่เคยตัดไปเลยสักครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยยมจะเห็นเลยว่ามันจะกาะกลุ่มกันอยู่ในพวกอภิธรรมปิดกทั้งหมดเลยนะแต่มันจะไม่อยู่ในส่วนของพุทธวจนะอยู่ในส่วนของพระสูตรที่เป็นคำพระศาสดาเลยอย่างเนี้ย นั้นแค่ข้อมูลเหล่านี้เราจะแยกได้ชัดเจนว่าอะไรที่ผู้เจ้าไม่เคยสอนอะไรที่ผู้เจ้าสอนอย่างนี้มันจะทำให้ให้พระสัทธรรมเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นนะไม่งั้นมันจะปะปนกันทุกวันนี้ชาวพุทธคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรือได้ยินได้ฟังมานั้นอนะ่ะมันเป็นคำของศาสดาเพราะมันถูกถ่ายทอดโดยสมณะสกยชปุทยานะผู้ที่แต่งเครื่องแบบพระนะ แต่เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีและเราไม่เคยมีการตรวจสอบมาเลยนะว่ า, าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นคําสอนพระศาสดาจริงหรือเปล่านะเราไม่ได้แยกแยะด้วยว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ศึกษาแต่คําตถาคตเท่านั้นเพราะพระสูตรนี้ไม่เคยมีใครเอามาบอกเรานะทั้งที่มีอยู่ในบาลีสยามรัฐอยู่แล้วนะเมื่อพระสูตรนี้ชัดเจน ทำยังไงจะให้รู้ว่าคำสศสดาหรือไม่ใช่เะอ่ยขั้นตอนที่ต้องแยกแยะออกมาจึงทำให้ต้องมีการแยกแยะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไม่ไม่ค้นเจอพระสูตรนี้ว่าผู้เจ้าให้ฟังแต่คำของตาตาโคตรนั้นผลต่อเนื่องว่าความจําเป็นที่จะต้องตรวจว่าคำสศสดาใช่หรือไม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อ เมื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการไปศึกษาคําคนอื่นไปฟังคําคนอื่นนั้นเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมเปรบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองหรือในพระสูตรที่บอกว่าศาสนาจะเสื่อมด้วยอาการอย่างนี้หรือในพระสูตรที่บอกว่าพวกเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศ หรือในพระสูตรที่บอกว่าเธอกำลังเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูนะหรือในพระสูตรที่บอกว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในกัลยาณมวัตของเราเลยเราจะเห็นถึงความสอดรับก่อนกันของคำพระศาสนาทั้งหมดที่พยายามเตือนเราบอกเราว่าอย่าศึกษาคาคนอื่นนะหรือคำของสาวกที่พูดขึ้นมาใหม่ศึกษาแต่คาตถาคตเท่านั้นเมื่อเราเห็น ตรงนี้ชัดเจนแล้วรวบรวมมาได้ในแผ่นพับนี้แล้วนะก็ทำการตรวจสอบเพื่อแยกแยะนะว่าอะไรคือคำพะเจอาอะไรไม่ใช่ต่อไปจึงเป็นเหตุที่มาที่ไปของการทำหนังสือเล่มนี้คือพุทธวจนะว่าจะต้องทำข้อมูลตัวนี้ออกมาให้ได้ซึ่งท่านรูธธ้ทาเนี่ยเคยทำมาแล้วนะครั้งหนึ่ง ก็คือจากพระโอตต์ตัวนีนะ้ท่านใช้เวลา22ปีในการดึงข้อมูลออกมาจากบาลีสยามรัฐเช่นเดียวกันใช้หลักฐานตัวเดียวกันออริจินอลคือบาลีสยามรัฐนะท่านทำอย่างนี้ได้5เล่มในเวลา22ปีในช่วงชีวิตของท่าน ซึ่งก็ได้คำสอนพระศาสดาออกมาสี่กลุ่มนะกลุ่มอริยสัจสี่กลุ่มปฏิจจสุบาทกลุ่มประวัติของผู้เชา่าแล้วก็กลุ่มที่ตักเตือนภิกษุโดยตรงนะ <c oughs> แต่ยังมีที่ที่เหลืออีกจำนวนมากเราก็เลย มาทำทั้งหมดนะดึงคำพระศาสดาทั้งหมดออกมานะจากพระไตรปิฎกเพราะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยบาลีสยามรัตเนี่ยเล่มเนียที่เป็นภาษาบาลีนะที่ทำตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะและเป็นข้อมูลที่ตกทอดมาตั้งแต่การทรงจำครั้งแรกสังยายา และมีข้อมูลในเสาหินโศกจนทั้งได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมด4 5้าเล่มนี้จึงถูกดึงมาให้เหลือแต่พุทธวจนะเพราะแม้แต่ในนี้ก็ตามก็ยังมีข้อมูลที่เป็นสองส่วนหลักๆคือการที่ทรงจำคำพระศาสนาทั้งหมดและข้อมูลที่มีการ อธิบายเพิ่มเติมขึ้นนะเพราะนั้นเราก็จะแยกข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมขึ้นออกไปนะซึ่งจากใครก็ไม่รู้จี ป, ปาถะเยอะแยะนะเป็นสิบเป็นร้อยคนที่ขยันอธิบายเพิ่มเติมด้วยความหวังดีทั้งนั้นนะแต่ไม่ใช่สั ป, ปัญยูแน่นอนนะในส่วนนี้ที่ทรงจำจากส ป, ปัญยนะูเราก็จะดึงออกมาเป็นเล่มนี้ได้สสามเล่ม พร้อมกันนั้นเพื่อความถูกต้องนะโดยทั่วไปพระตตบิดกโดยทั่วไปจะมีแต่ภาษาไทยนะและถ้าบาลีเขาก็จะแยกไปอีกเล่มหนึ่งอย่างนี้เป็นบาลีล้วนนะอัตมาว่ามันช้าในการที่จะตรวจสอบนะจึงให้บาลีและภาษาไทยมาประกบกันเลยนะ ด้านนี้จะเป็นภาษาบาลีด้านนี้จะเป็นภาษาไทยนะบาลีไทยบาลีไทยคู่กันทั้งหมดและปรับฐานข้อมูลใหม่ให้ตรงกันหัวข้อเนี่ยต้องตรงกันให้หมด <c oughs> ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรในเนื้อหานะมาหามงนะกุฎกลับม า, าชุลา มาเมื่อกุอเนี่ยใช้หัวข้อเนี่ยตรงกับปรีสามรัฐแต่มหาจุฬาไม่ตรงนะต้องมาปรับฐานข้อมูลหัวข้อใหม่เพื่อให้คอมพิวเตอร์มันทำงานได้หาได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใช้คนเข้ามาช่วยพอสมควรเหมือนกันนะข้อมูลตรงนี้ก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็เลยนำมา ลงในตรงนี้นะเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นลำดับที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าผู้เจ้าบอกให้ศึกษาแต่คำตากตเหตุผลเพราะอะไรนะความเป็นสักพัญธ์ของผู้เ้าความสามารถในเชิงการพูดศา ส, สนาจะเสื่อมไม่เสื่มอย่างไรขีดจำกัดพระหลานทาได้แค่ไหนสาวกแค่ผู้เดินตามบัญญัติอะไรออกมาไม่ได้นะ จากนั้นแยกข้อมูลออกมาให้เราศึกษาได้เมื่อทำตรงนี้แล้วการค้นคว้าก็ยังยากอยู่ดีก็เลยต้องอทำตัวนี้ขึ้นมานก่อนได้มาตัวนี้ทำลงในอคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กในเครื่องพีซีเราไม่ได้แบกเครื่องนี้ติดตัวไปด้วยตลอดก็เลยต้อง พัฒนาเข้ามาทำตรงนี้อีกเพื่อให้ติดตัวเราไปได้ตลอดตรวจสอบได้เร็วใครสงสัยนะถกกันอยู่ปุ๊บจิ้มได้เลยนะเห็นกรอบคร่าวต้องการละเอียดปุ๊บเข้ามาเช็คตรงนี้ต้องการละเอียดอีกปุ๊บเข้ามาเช็คตรงนี้ได้มีให้เช็คได้ในทุกลำดับขั้นตอนนะนั้นเนี่ยก็คือคือสิ่งที่ที่ได้ทำนะและตรงนี้ จะเป็นความตั้งมั่นของพระศักดิธรรมนะเพราะจะทําให้สายต่ า, ยางๆนิกายต่างๆเนี่ยถูกยุบหมดเลยจะเหลือหนึ่งเดียวพระจะเป็นหนึ่งเดียวโยมจะไปร้อยวัดพันวัดทุกคนจะสอนเหมือนกันพูดคำพระศาสดานะจะไม่มีสายไม่มีนิกายพระไม่ต้องคอยถามว่าท่านนิกายอะไรนะโยมคุยธรรมะ ก, กันไม่ต้องคอยถามว่าคุณสายอะไรนะฉันสายนี้สายนี้ พาทุกคนจะพูดคาพระศาสดานะจะเกิดสังฆสมคีเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ยากนะผูะพุทธเจ้าบอกการที่ศาสดาเนี่ยจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเนี่ยเกิดได้ยากนะแต่ทำไดนะ้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าโยมกลับมาใช้คําพระพุทธเจ้าเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือโยมต้องเปลี่ยน นิสัยที่จากการที่เคยหยิบหนังสืออ่านมั่วๆอะไรก็ได้นะจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจะเป็นหนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้ยมเปลี่ยนกลับมาหยิบคำพระพุทธเจ้าทุกครั้งนะพุทธัจานะแล้วปัญหาต่างๆจะหมดไปนะการวิเคราะห์ในสมองเราในความคิดเราในจิตในใจของเราเนี่ย มันจะมีแต่คํำผู้เจ้าอยู่ในหัวนะมันจะไม่ไปวิเคราะห์ในคําของสาวกซึ่งผู้เจ้าก็บอกแล้วว่าถ้ามีคําสาวกอยู่เนี่ย <c oughs> เธอจะไม่สามารถเปิดทางมที่ถูกปิดไว้ได้เพราะยอมไม่รู้ว่าสาวกพูดผิดตรงไหนบ้างเพราะเราไม่ใช่สัพันย์อยู่ที่จะไปชี้ว่าอันนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดเราได้แต่ชี้ว่าคุณพูดไม่เหมือนพระาศาสดาต้องมีข้อผิดแน่นอน ต้องมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดเพราะเมื่อผู้เจ้าปรินิธานนั้นเนี่ยผู้เจ้าก็ได้บอกว่าถ้าสาวกของท่านเนี่ยหรือคาสอนของท่านเนี่ยยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สาวกยังไม่เข้มแข็งเนี่ยพระ อ, องค์จะไม่ยอมปรินิพานแต่เมื่อวันที่พระองค์ปรองอายุสังขารนั้นพระองค์พิณาแล้วว่าคำของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว จนกระทั่งถึงปรินิพานเนี่ยคำของพระองค์เนี่ยสมบูรณนะ์ไม่มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปศึกษาแค่นี้ทำเท่านี้ซึ่งแค่คำของพระศ า, ศาสดาก็มากพอละสามสามเล่มนี่อยไม่ต้องขวนขวายไปเอาความเห็นคนอื่นเอามาเติมอีกเลยนะละมันจะมากมายเยอะๆไปหมดนะแล้วมันเป็นความผิดพล า, าดคาดเคลื่อนด้ว ย, นะยเลยตรงนี้ ชี้แจงไปตามลำดับให้โยมได้เห็นภาพได้เข้าใจว่าแบบเป็นมาอย่างไรนะ <c oughs> อย่างสีจีวรพระเนี่ยถ้าเราทำตามพระศาสดาทั้งหมดนะด้วยการย้อมด้วยน้ำฝาด คือน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบ ไ, ไม้จีวรพระจะสีเหมือนกันทั่วโลกนะถ้าต้นไม้ไม่เปลี่ยนสีจีวรพระก็ไม่เปลี่ยนสีเวลายอมเอาใบไม้ลูกไม้เปลือกไม้แก่นไม้เอามาต้มหรือเอามาย้อมแล้วเนี่ยสีจะได้เหมือนกันหมดเลยกลืนกลืนกันไม่เหมือนกันเปะ๊ะแต่ออกมาโทนเดียวกัน เจอจะเอาใบมังคุดเปลือกมังคุดแกนข้านุนมันก็ออกมาสีเกินๆกันแปลกดีเหมือนกันนะเอาใบมังคุดมาต้มได้น้ำได้สีน้ำออกมาเคี่ยวให้งวดเอาผ้าลงย้อมก็ออกมาสีนี้นะเอาเปลือกมังคุดมาใส่น้ำขยำเอาผ้าลงไปคลุกนะย้อมตาใกล้แห้งย้อมทาปิครับงหนึ่งห้าเที่ยวสิบเที่ยว ก็ได้มาสีนี้นะเอาแก่นก็หนุนนะตรงกลางลำต้นของมันเอาเปลือกเอาขากระพี้ออกเหลือแต่แก่นแล้วมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆลงต้มเพื่อให้สีมันออกนะพอเราเอาแก่นไม้ลงไปต้มในน้ำเคี่ยวให้เดือดนะมันก็จะออกสีมานะ จากนั้นกรองเอากากไม้ออกแล้วก็เหลือแต่น้ำเนี่ยเคี่ยวให้งวดก็จะได้น้ำเพื่อที่จะยอมผ้าก็จะได้สีนีเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าถ้าต้นไม้มันไม่เปลี่ยนนสีสันวันหน้าของมันก็จีรอรผ้า ก, ก็จะเหมือนเดิมไปตลอดเป็นพันๆปี ไม่ต้องไปนั่งผสมสีเองนะทุกวันนี้พระก็นั่งผสมสีเองนะหรือใช้สีตามร้านคาา้าก็ร้านค้าก็ให้สีอะไรก็เอาสีตามนั้นมาเนะีมันเลยหลากหลายสีข้็วัดปฏิบัติต่างๆก็เหมือนกันมันจะเหมือนกันหมดทุกวันนี้โยมใส่บาตรนะโยมก็จะเจอพระที่ ให้พรบ้างไม่ให้พรบ้างเนี่ยโยมก็จะงงอยูแล้วตกลงนี่ดิฉันต้องนั่งรับพรหรือเปล่าเนี่ยผูเจ้อาอธิบายบัญญัติเรื่องการอนุมโมทนาพระองค์ให้อนุมโมทนาในที่ฉันบอกพิสษจทั้งหลายเรากล่าวการอนุมโมทนาในที่ฉั น, นและเป็นหน้าที่ของพระเถเรศ พบอกตรงนี้พิกสุอนุเทราก็ลุกไปหมดพระเจ้าก็ต้องมาบัญญัติเพิ่มบอกขณะที่ป้าเทลากนุิโรธนาอยู่นั้นเนี่ยอนุเทลากัทั้งหลายให้คอยด้วยพอบัญญัติคอยก็คอยกันจริงๆนะไม่กล้าลุกไปไหนเลยปูวดอุจจาะปัสสาวะก็ไม่กล้าไปจนอุจจาะปัสสวะลาชก็เป็นเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยให้บอก พระห่มข้างๆแล้วก็หลีกไปได้เพราะฉะนั้นแม้แต่การอันุโมทนาก็จะมีบอกหมดว่าทำที่ไหนอย่างไรหน้าที่ของใครใครจะทํำยังไงอย่าไปบัญญัติอะไรเองทุกวันนี้เรามาบัญญัติกันเองพระบางกลุ่มก็จะเดินบินตาบ่าแล้วก็ให้พรไปนะ่ะอาตมาเข้ไปเจอในต่างจังหวัดอีกนะก็กลัวพระนะ จะหิวระหว่างทางก็นิมนต์ฉันน้ำนะอ่าพอนานข้าวนานข้าวบ้านต่อไปเห็นก็ถวายน้ําอำงั้นเรากาแฟแล้วกันเนะีมีนิมนต์ฉันกาแฟก่อนระหว่างทางต่อไปต่อไปอาตอมาก็เห็นมีปะทั้งโก๋กาแฟอะไรมันก็จะลามไปเลยสรุปไม่ได้กลับวัดนั่งฉันมันระหว่างทางอยู่นั่นนะบ้านโน้นบ้านนี้ที เรอง เ, เพิ่มเติมข้อวัดไปกันหมดเลยระยมก็จะตีใจที่ได้ใส่เงิ น, นในบาทพระซึ่งพู้เจ้าเนี่ยห้ามนะบินทบาทเนี่ยรับอาหารไม่ใช่รับเงินไม่ใช่รับของอย่างอื่นอาหารเอาไว้สำหรับกินณนะวันนั้นไป <c oughs> ต่างประเทศไม่รู้อีกนะ วันก่อนอาจารย์คาเวสโกพระชาวเยอรมันเน่ชาวเช็กมาก็เล่าให้ฟังก็คุยเรื่องบินรบาดเนะ่ก็ไปบินที่ต่างประเทศที่ไม่รู้เนยะก็ใส่ไก่สดแช่แข็งาไว้ในบาทเต็มเลยนะท่านก็ต้องอธิบายว่าต้องเป็นอาหารที่ กินได้เลยสำเร็จแล้วนะก็คนไม่รู้อ่ะเนาะก็เหมือนกันตอนนี้ชาวพุทธเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ใส่เงินกับพระนะมยมไม่ใส่เล่าให้พระบ้างให้เล่ากับให้เงินผิดเท่ากันนะ <c oughs> อาบัติปจิตีเท่ากัน นะคนผิดคือพระโยมไม่มีผิดอะไรโยมให้ทานนะแต่พระมีหน้าที่ปฏิเสธนะที่จะไม่รับโยมให้เนื้อดิบปฏิเสธได้โยมให้เลือดสดปฏิเสธได้ให้สุราให้เงินทองปฏิเสธได้นี่เพราะนั้น วิถีชีวิตของพระหรือเรื่องในพุทธศาสนาเนี่ยต้องใช้บัญญัติภาษาสดายมจะไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเพราะเรามานั่งนึกเหตุผลตรงเนี้ยนึกไม่ออกหรอกกลับไปศึกษาก่อนว่าทำไมผู้เจ้าบัญญัติอันนี้มันมีเหตุที่มาที่ไปหมดนและผู้เจ้าเป็นผู้ที่เห็นแล้วว่าอะไรควรบัญญัติอะไรไม่ควรบัญญัติ นะผู้เจ้าไม่อนุญาตให้พระเนี่ยทำอาหารปรุงอาหารเองนะเก็บอาหารในที่อยู่นะหรือเก็บอาหารไว้ค้างคืนนะห้ามหมดนั้นให้ไก่สดมาก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อยู่ดีผู้เจ้าห้ามฉันเนื้อดิบก็ฉันไม่ได้จะไปปรุงอาหารก็สั่งห้ามปรุงสรุปแล้วก็ต้องทิ้งไปอยู่ดีนะ ไม่มีในคำพุทธกาลนข้าสารอาหารแห้งนะก mm. ็ได้แต่กินไม่ได้ อ, อ่ะเยอะนะได้แต่กินไม่ได้จะทำยังไงอ่ะพระรับมาแล้วจะทำยังไงข้าสารนยมกินข้าสารไมล่ะอืะ่อย่างี้ยอมาเลยเาะใส่บานนะาานะอ่า เนี่ยไปสร้างประเพณีใหม่แล้วถ้าสิ่งเหล่านี้มันติดไปนะลามไปทั่วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นพระเวลาไปวิเวกทุ ด, ดงที่ไหนเจอเข้าวสารอาหารแห้งโอ้โหจบเลยอยอมนะเหมือนเจอไก่แช่แข็งไม่ต่างกันหรอกก็ไปทำอะไรไม่ได้น่ะอุปกรณ์ไรก็ใหม่มีสักอย่างหนึ่งเนี่ย ยิ่งไปวิเวกเราไม่ได้พบมีดพกที่เปิดกระป๋องไปไหนยมให้เนี่ยยมให้ที่เปิดกระป๋องพระมาด้วยปะ่ะนีก็นั่งมองกระป๋องเฉยๆแล้วปากกัดก็ไม่ได้นะกัดไม่เข้าอาตมาบินนบานได้แตงโมงมาลูกยังกัดไม่ลงไงนะีเนะต็มบาทเลวไม่ต้องฉันอะไรละฉันแต่แตงโมงนะั่นหละได้มะม่วงมาเขาไม่ได้ปอกให้ก็ยังเอาปากกัดได้นะ่ เดอมเยาว์เราก็มันเออมันลำปากกันนะเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าเรามีหรือไม่มีอะไรน ะ, <ม>อะเอ่เอาว่าปากกัดปอกเป <c oughs> เลือกเล็บกระจิกไม่ออก <c oughs> ปากฉีกเปลือกอืมเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นะอาหารสดพร้อมทานได้เลยนะ เรื่องรองเท้าก็ในการบินดาบแตเหละคาราวาสคาราวาสก็ไม่มีบัญญัติไว้ว่าจะต้องถอดจะต้องใส่ของพลัก็เหมือนกันไม่ได้มีบัญญัติว่าจะต้องต้องถอดรองเท้าบินดาบัดใส่ก็ได้ถอดก็ได้เดินจงกลมก็เหมือนกันถอดก็ได้ใส่ก็ได้นะแล้วอืม เรื่องรองเท้าเนี่ยถ้าในการฟังธรรมเนี่ยต้องตอดรองเท้าแต่โยมดูอเราฟังธรรมเนี่ยเราไม่เคยตอดรองเท้าเลยนะเวลาในอยู่ในห้องประชุมไปฟังธรรมงานศพอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไม่ตออรองเท้า ท, ทั้งท่านที่คุเจ้าบอกห้ามแสดงธรรมแก่บุคคลผู้สวมรองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม่พลองถือสัตว์ตราถืออาวุธ กลางล่มผ้าโพกหัวนะนั่งที่สูงกว่านะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะห้ามหมดนะแต่ห้ามภิกษุนะอ่านี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ไปยุ่งอะไรกับฆราวาสฆราวาสไปบัญญัติอะไรก็ได้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์สถาคตเนี่ยใช่ไหมแล้วลูกศิษย์เราเราตีกรอบได้เพราะนั้นในส่วนของฆราวาสเนี่ยจะไม่มีไป ไปสร้างกรอบเงื่อนไขอะไรในการบินตบาทจะตั้งเงื่อนไขมาที่พระอย่ า, า, า ว, ว่าผู้โัวอย่าเดินควายแขนสายตาทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวะกป้านให้บินตบาดโดยเอื้อเฟื้อสั่งพระสารวมระวังอย่างดีเพื่อให้เกิดความเริ่มใสแก่คนที่ยังไม่เริ่มใสและเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มใสแล้วเขาจะได้ให้อาหารเราพระบงองค์ โยมไม่ถอดรองเท้าไม่รับปิณฑบาตเดี๋ยวก็ไม่ได้กินหรอกต่อไปและถ้าพระทาอย่างนี้ทั้งหมดเดี๋ยวศาสนาก็เสื่อมเขาจะเกิดความไม่เลื่อมใสน ะ, ะไปสร้างเงื่อนไขามากกับคนที่ให้เราได้ยังไงเพราะนั้นพระเจ้าไม่เคยสร้างเงื่อนไขอะไรกับคนที่เขาให้เราแต่เราต้องทาตัวให้ดีแต่ถ้าเขามาฟังธรรมพระเจ้าให้สังเกตเงื่อนไข แต่เงื่อนไขก็ไม่ได้ไปบังคับโยมีเหมือนกันบังคับพระเอกเหมือนกันให้คอยสังเกตว่าเขาสวมรองเท้าไม้นะสวมเขียงเท้ารองเท้าไม้สวมรองเท้าถือไม้พลองถืออาวุธถือสัตตาน ะ, ะกลางร่มผ้าผู้ขัวอะไรพวกนี้บัญหัติไ้เยอะนั่งไปในยา น, นไม่ควรแสดงธรรมให้นั้นใส่บาตร อดหรือใส่รองเท้าก็ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมีบังคับว่าต้องถอดหรือบังคับว่าต้องใส่นะ <c oughs> เนี่ยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราเลยแล้วยมก็จะไปนั่งเถียงกันว่าใช่ไม่ใช่นี้ไม่นี้นะแล้วยมไปหาจากไหนหาจากคำสาวกไม่จบหรอกนะต้องหาจากคำพระศาสดา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 ก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปาราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตายทส็สมบูรณมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน